มงคลชีวิตมงคลที่สิเจ็ดการสงเคราะห์ญาติยาตกานันจะสังขโหเอตามังคลมุตตมังการสงเคราะห์หมายถึง การช่วยเหลือด้วยปัจใจสีเป็นที่พึ่งให้ยามทุกร้อนญ<ย>าต<ก>ิหมายถึงผู้ที่ใครๆก็รู้ว่าเป็นพวกเราการนับญาติท่านให้นับจากผู้เกี่ยวข้องข้างมารดาหรือบิดาจนถึงเจ็ดชั่วปูย่าเหตุที่ควรสงเคราะญาต หมู่ญาติเป็นดุจมิสหายยามีภัยหรือกิจที่จำเป็นต้องพึ่งผู้อื่นหมู่ญาตินี้จะเป็นที่พึ่งให้ได้ดังมีภาษิตว่าญาติยิ่งมีมากยิ่งดีแม้ต้นไม้ที่เกิดในป่ายิ่งมีมากก็ยิ่งดีต้นไม้ที่ยืนต้นอยู่โดดเดียวถึงจะใหญ่โตลมย่อมพัดให้หักโค่นลงได้ หลักการสงเคราะห์ญาติหลักการสงเคราะห์ญาตินี้ไม่มีหลักธรรมโดยเฉพาะจึงอาจปฏิบัติตามหลักสังฆะวัตถุสี่หรือหลักการสงเคราะห์สองคือสงเคราะห์ด้วยสิ่งของและสงเคราะห์ด้วยธรรมก็ได้หรือจะปรับเปลี่ยนจากคำสอนที่ปิดานางวิสาขาสอนบุตรสาวก็จะได้ว่า 1>, 1. ไฟในอย่านำออกคืออย่าเอาเรื่องภายในหมู่ญาติไปเล่าให้คนภายนอกฟัง 2. ไฟนอกอย่านำเข้าคือเรื่องราวภายนอกที่ไม่เป็นประโยชน์อันจักทำให้หมู่ญาติแตกแยกก็ไม่ควรนำมาเล่า 3. พึงให้แก่คนที่ให้และไม่ให้คือเมื่อญาติยืมข้าวของไป เขาจะคืนหรือไม่คืนก็พึงให้เพราะเขาเป็นญาติถือเป็นการส่งเคราะห์ญาติการส่งเคราะห์ญาติจัดเป็นมงคลเพราะ 1. เป็นผู้เจริญด้วยหมู่ญาติ 2. เกิดความสามัคคีในหมู่ญาติ 3. ทำให้เป็นที่รักที่พึ่งของญาติทั้งหลาย 4. เป็นผู้ปฏิบัติธรรมของหมู่ญาติ้ามีโอกาสพัฒนาจิตใจของตนให้กว้างขวาง